จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรรณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดมาบำเพ็ญ มาเจริญทำ<ม>ที่เป็นที่พึ่งของใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะมีใจเพียงส่วนเดียวดวงเดียวที่ไม่มีวันตายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องมีวันหมดมีวันสิ้นมีวันจบมีวันตายกัน แต่มีใจของพวกเรานี้เพียงดวงเดียวที่ไม่มีวันจบไม่มีวันตายพวกเราจึงต้องมาสร้างที่พึ่งให้กับใจเพราะตอนนี้ใจของพวกเราขาดที่พึ่งใจของพวกเราจึงต้องออกไปหาที่พึ่งจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะต้องเสือ่อมที่จะต้องหมดที่จะต้องจบที่จะต้องสิ้นไป เวลาสิ่งที่ใจไปยึดไปติดไปอาศัยเป็นที่พึ่งหมดสภาพไปก็ปล่อยให้ใจต้องทุกข์ทรมานใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากการไปยึดไปติดไปพึ่งในสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรพึ่งได้ชั่วคราวแต่ใจเป็นสิ่งที่ถาวร ใจใจไม่รู้ว่าใจนี้มีสิ่งที่ใจสามารถพึ่งได้ไปอย่างถาวรต้องมีพระพุทธศาสนามาประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นใจของพวกเราถึงจะได้รู้ว่ามีสิ่งที่ใจสามารถพึ่งไปได้ตลอดเวลาไปพึ่งเนี่ยได้อย่างถาวรสิ่งนี้ก็คือทม ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาเผยแป่มาสั่งสอนให้แก่พุทธบริษัทได้เอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่เพิ่งที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันจบนี่คือ สิ่งที่พวกเราจะได้รับรู้กันเวลาที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้สร้างที่พึ่งอันใหม่ขึ้นมาสร้างที่พึ่งที่ถาวรขึ้นมาแทนที่พึ่งเก่าที่ไม่ถาวรที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดสิ้นไปตอนนี้พวกเรากำลังพึ่งอะไรกันอยู่ พวกเรากำลังพึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพึ่งร่างกายแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปเวลาคนตายจึงมักมีแต่คนร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเพราะเหมือนกับสูญเสียที่พึ่งไป เพราะไม่มีอะไรที่จะมารักษาทำให้ใจมีความสุขได้สิ่งที่ใจอาศัยให้ความสุขต้องหมดสภาพไปเวลาร่างกายตายไปลาบยศเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องหมดสภาพตามไปด้วยใจที่ไม่มีที่พึ่งทางธรรม ใจก็จะวุ่นวายใจจะเดือดร้อนแต่ถ้าใจมีที่พึ่งทางใจมีความสุขจากที่พึ่งทางใจใจก็จะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะใจยังไม่ปราศจากที่พึ่งนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้พุทธบริษัทสีได้มาเปลี่ยนที่พึ่งกันเปลี่ยนที่พึ่งเก่าที่จะต้องมีวันจบมีวันสิ้นแล้วสร้างที่พึ่งใหม่ขึ้นมาสร้างที่พึ่งที่จะอยู่กับใจไปตลอดที่พึ่งของธรรมนี้จะอยู่ในใจของเราไปตลอดถ้าเราสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจได้ธรรมที่เราสร้างขึ้นมา ก็จะผลิตความสุขให้กับเราดับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าลาบยศสรเสริญจะเสื่อมจะหมดไปไม่ว่าความสุขทางตาหูจหมูกปิ้นกายจะหมดไปไม่ว่าร่างกายจะแก่ จะเจ็บจะตายไปใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้พึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นเองถ้าใจมีที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใจสร้างขึ้นมาคือสร้างที่พึ่งทางใจด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวร เป็นที่พึ่งอย่างเดียวเท่านั้นที่ใจจะสามารถพึ่งได้ที่พึ่งอย่างอื่นนั้นพึ่งได้เพียงชั่วคราวชั่วเวลาเวลาสิ่งนั้นจะไปหมดไปความสุขความปลอดภัยที่ได้จากที่พึ่งเหล่านั้นก็จะต้องหมดไปตอนนี้เราพึ่งอะไรกันเราพึ่งลาบกันลาบก็คือทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองต่างๆลองคิดดูว่าเกิดวันไหนเราไม่มีเงินทองเหลืออยู่เลยสิ้นเนื้อประดาตัวเราจะอยู่อย่างสุขหรืออยู่อย่างทุกข์แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาควบคุมบังคับหรือกำหนดเรื่องเงินทองของเราได้ว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีใครสามารถบังคับเรื่องราวเหล่านี้ได้ถึงเวลาที่เขาจะหมดเขาก็หมดไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะยับยั้งเขาได้พอเวลาเขาหมดหรือเวลาที่เราไม่สามารถหามาเพิ่มได้เวลานั้นใจเราจะวุ่นวายใจเราจะเดือดร้อนดังนั้นเราต้อง ยุติการพึ่งทรัพย์เพื่อที่จะซื้อความสุขต่างๆหันมาพึ่งทำที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำข้อแรกนี้ก็คือให้เราสร้างธรรมขึ้นมาสร้างทานขึ้นมาทานแปลว่าการให้เราให้สิ่งที่เรามีมากเกินความจำเป็น เช่นเงินทองของเราตอนนี้ถ้าเรามีมากเกินความจาเป็นเราอย่าเอาเงินทองนี้เก็บไว้หรือเอาไปใช้เพื่อซื้อความสุขต่างๆเพราะจะทำให้เราติดแล้วเราจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วซื้อเท่าไหร่ก็จะไม่มีความพอนะเวลาไม่ได้ซื้อก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราต้องฝืนอย่าไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจด้วยเงินทองให้ซื้อทานให้ซื้อบุญมาแทนเวลาเราทำทานเราแบ่งปันเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เราเอาไปทำทานเป็นการซื้อบุญบุญก็คือความสุขใจ อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้เอาเงินทองมาซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม่สอยแล้วก็เอาเงินมาถวายวัดเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟเพื่อเป็นค่าดูแลรักษาวัดวาอารามเราเอาเงินไปให้ผู้อื่นแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา เกิดความอิ่มใจขึ้นมาทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับการที่จะต้องไปใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆนี่คือวิธีเปลี่ยนการสร้างความสุขสร้างที่พึ่งให้แก่ใจอย่าพึ่งการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ ก็จะไม่มีคำว่าอิ่มคำว่าพอแต่มีแต่คำว่าอยากซื้ออยู่เรื่อยๆเราตั้งแต่เกิดมานี่เราซื้ออะไรมามากมายกายกองเพียงไรเราเคยเจอคำว่าพอแล้วหรือยังไม่อยากจะซื้ออะไรแล้วหรือยังหรือยังอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาไปเดินตามศูนย์การค้าเห็นสินค้าต่างๆ ใจก็เกิดความอยากจะซื้อขึ้นมาซื้อมาแล้วพอกลับไปเดินศูนย์การค้าใหม่ก็เกิดความอยากจะซื้อใหม่ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อถ้าซื้อด้วยความจำเป็นนี้ไม่เป็นโทษเช่นเราจำเป็นกับอะไรเราจำเป็นกับอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้ไปร่างกายของเราจะอยู่ไม่ได้และจะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบากเราก็ใช้เงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลาบากนี้ไปกับการใช้ในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นกับร่างกายถ้าใช้แบบนี้จะไม่เป็นโทษและเป็นคุณ ก็จะช่วยดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขแต่ถ้าเรามีเงินมากกว่าที่เราจะเอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็อย่าเอาไปซื้อความสุขต่างๆเช่ซนซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อของเล่น ซื้อขนมนมเนยกินแบบไม่มีเว ล, เวลาเพราะการกินมากเกินไปนี้มันจะเกิดโทษกับร่างกายจะทำให้อายุสั้นคนที่มีน้ำหนักเกินนี้จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆต้องให้หมอฉีดยาต้องให้หมอคอยรักษา เพราะกินมากเกินไปเพราะคิดว่ากินแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขเดียวเดียวมไม่รู้ว่าจะมีความทุกข์ตามมาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอต้องไปรักษานี่คือการใช้เงินแบบไม่เกิดประโยชน์ใช้เงินที่ทำให้เกิดโทษกับตัวเอง พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งใจของเราในการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆได้ก็ให้เอาเงินทองที่เราจะใช้ไปซื้อสิ่งต่างๆนี้มาทําบุญจะดีกว่ามาซื้อบุญจะดีกว่าซื้อบุญแล้วจะทําให้ใจอิ่มพอใจอิ่มใจก็จะไม่หิวกับขนมนมเนย ก็จะลดน้ำหนักได้จะกินเท่าที่จำเป็นได้ที่ตอนนี้กินมากก็เพราะว่าปล่อยให้กินอยู่เรื่อยๆอยากจะกินอะไรก็กินตามใจอยากพอยิ่งกินความอยากก็ยิ่งมีมากขึ้นความอิ่มอยู่ที่ร่างกายแต่ความความอิ่มไม่ได้อยู่ที่ใจเวลากินอิ่มไม่ทันไยท้องยังแน่นอยู่ก็ยังอยากจะกินต่อ เห็นขนมเห็นเครื่องดื่มเห็นอะไรก็อยากจะกินนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายมีน้ําหนักมากเกินไปทําให้ร่างกายต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วอายุจะสั้นจะอยู่ไปไม่นานถ้าอยากจะอยู่ไปนานๆต้องรู้จักกินอย่า ก, กินมากเกินไปกินตามเวลากินพออยู่ อยากกินเพื่อความอยากเพราะความอยากนี้จะไม่มีควาว่าพอกินเท่าไหร่อยากเท่าไหร่ก็ยังจะมีความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามควบคุมใจของเราให้ได้อย่าเอาเงินทองที่เราหามาด้วยความลาบากยากเย็นมาใช้เพื่อให้เกิดโทษกับเรา คือใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือก่อต่อการทำมาหากินถ้าใช้เพื่อดำรงชีพหรือใช้เพื่อทำมาหากินนี้จะไม่เกิดโทษแต่จะกลับเกิดประโยชน์เพราะจะทำให้เรามีเงินทองที่จะเอาไว้ใช้กับสิ่งจำเป็นต่างๆได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีเงินทองไว้รักษาเวลาบ้านเสียบ้านชำรุดก็จะมีเงินไว้ช่อมแซมบ้านได้เวลาเสื้อผ้าขาดก็มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เงินทองยังมีความจําเป็นอยู่แต่อย่าเอาไปซื้อในสิ่งที่เป็นโทษคือไปซื้อความสุขตามความอยากต่างๆไปเที่ยวก็เหมือนกัน การใช้เงินทองไปเที่ยวก็เป็นการซื้อความทุกข์ให้กับใจเพราะเวลาเที่ยวแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลาไม่มีเงินทองเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปเที่ยวไม่ได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาซื้อบุญมาทำทาน อย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้ทำแล้วใจก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมาความอยากเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นมันก็จะหายไปจากใจทำให้เราไม่ต้องใช้เงินโดยที่ไม่จำเป็นได้ ถ้าเราทำบุญบ่อยๆใจของเราจะมีความอิ่มเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆได้เพราะใจสามารถหยุดความอยากที่จะซื้อความสุขต่างๆด้วยเงินทองได้เพราะใจสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทาอะไรได้ เพราะมีบุญที่ได้ทำจากการเอาเงินทองไปทำบุญทำทานนี่คือวิธีการสร้างที่พึ่งคือแทนที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆให้ซื้อเงินให้ใช้เงินทองซื้อซื้อความสุขทางใจซื้อบุญพอใจมีความสุขแล้วต่อไปใจก็ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้ มีความสุขได้ไม่ต้องพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมืออีกต่อไปเวลาเงินทองไม่มีก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อสิ่งต่างๆไม่จำเป็นไม่อยไม่มีความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางต า, ง า, งางหูจมูกลิ้นกายนะเวลา ไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วนี่คือขั้นที่หนึ่งขอให้เราจงมาสร้างที่พึ่งแตงใจด้วยการทำฐานอยู่เรื่อยๆอย่าเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มสฟยไปทำตามความอยากต่างๆเพราะจะทำให้ต้องทำอยู่เรื่อยๆ ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกับคนเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเวลาติดยาเสพติดแล้วเป็นอย่างไรต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจจนทนไม่ไหวก็จะต้องไปลักขโมยเงินทองเพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพอีก พอรักบ่อยๆเข้าก็จะต้องถูกเขาจับไปลงโทษแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปทุกอยู่ในคุกในตารางเพราะไม่รู้จักวิธีใช้เงินนั่นเองใช้เงินทำไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ก็คือให้ใช้ด้วยการทำทาน จะทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทำกับคนก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้กับพี่กับน้องก็ได้ทำกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ขอให้เราสละเงินทองที่เป็นเหมือนมีดที่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ มันก็จะบาดเราได้ถ้าเราไม่มีมีดเราก็จะไม่มีมีดมาบาดเราถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของเงินทองถ้าเรามีเท่าที่จำเป็นเงินทองก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราถ้ามีมากเกินไปถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินทองเงินทองนั้นก็จะกลับเป็นโทษขึ้นมาได้ จะกัดเราได้จะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เวลาที่เงินทองนั้นหมดไปหรือขาดมือไปนี่คือวิธีเปลี่ยนที่พึ่งแทนที่จะพึ่งเงินทองให้เรามาพึ่งการไม่ใช้เงินทองให้เราอยู่แบบไม่ต้องมีเงินมีทองมีถ้าจํ า, าจเป็นจะต้องมีก็มีเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เคืีเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถขยับขึ้นไาสูที่พึ่งขั้นที่สองได้ที่พึ่งขั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาปาะเวลาทำบากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองสาเหตุที่เราต้องทำบา ก็เพราะว่าเราอยากจะได้สิ่งต่างๆแล้วเวลาเราไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆเราก็ต้องเอาหาสิ่งต่างๆด้วยวิธีข้าด้วยวิธีลักทรัพย์ด้วยวิธีประพฤติผิดประเวณีด้วยวิธีโกโหกหลอกลวงนั่นเองเช่นเวลาเราไม่มีเงินซื้อกับข้าวกับปลาหา เราก็ต้องไปยิงนกตกปลาเราก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะทำให้เราไปทำบาปขึ้นมาทำบาปแล้วใจของเราก็จะทุกขใจของเราก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไปรักขโมยก็เช่นเดียวกันไปประพฤติผิดประเวณีก็เช่นเดียวกันไปโกหกหลอกลวงก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรา ทำทานอยู่เรื่อยๆจนใจของเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาปทำกรรมเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็อยู่เฉยๆก็ได้เพราะใจของเราไม่หิวไม่หยใจของเราอิ่มใจของเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ การไม่ทำบาป ก, ก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสบายใจลองสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปแล้วเวลาที่เราไม่ทำบาปนี้ใจของเราเป็นอย่างไรเวลาเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นนี้ใจของเราสบายหรือไม่สบายเวลาเราไม่ได้รักทรัพย์ใจของเราสบายหรือไม่สบาย ถ้าใจของเราสบายเราก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าใจของเราไม่สบายเราก็ต้องดิ้นหาวิธีทำใจของเราให้สบายแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็จะไปทำในทางที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาอีก <c oughs> เช่นเวลาลักขมโมยแล้วเวลาถูกเข้าถามว่าขมโมยหรือเปล่าวิธีแก้ปัญหาก็คือ ไปโกหกเขาอีกไปบอกว่าไม่ได้ขโมยก็ยิ่งทำให้ใจเกิดความไม่สบายขึ้นเมีอีกอเช่นเวลาลูกทำอะไรขโมยของแม่ไปแม่ถามลูกว่าเอาไปหรือเปล่าลูกก็บอกว่าไม่ได้เอาไปพอไปโกหกก็เลยจะเกิดความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกแต่ถ้ารับสารภาพว่าเอาไป ก็จะหายยอมรับผิดยอมรับโทษพอเรายอมรับผิดยอมรับโทษแล้วใจของเราก็จะสบายขึ้นมานี่คือเรื่องของการรักษาใจสร้างความสุขให้กับใจโดยที่เราไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆด้วยการอย่าไปทำบาปถ้าเราไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ หรือสิ่งที่จาเป็นถ้าเรายอมอดยอมทุกยอมตายได้เราก็จะไม่ต้องทำบาปได้ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําต่างๆของเราเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่ต้องไปตกนรกเวลาตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ หรือจะได้ไปถึงพระนิพพานเลยถ้าเราไปถึงพระนิพพานได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือการสร้างที่พึ่งทางใจข้อที่สองก็คือการไม่ทําบาปข้อที่สก็คือให้เรามาหาความสุขภายในใจของเราด้วยการทําใจให้สงบอย่าไปหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง อย่าไปหาความสุขจากการใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเดียเด๋ยวๆได้มาแล้วก็หมดไปต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่สามารถหามาได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ เราจะมีความสุขใจโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเวลาที captures, ่เราไม่สามารถหาอะไรมาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถหาความสุขมาให้กับเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตาย ใจของเราก็ยังมีความสุขได้ยังมีที่พึ่งได้เพราะใจไม่ต้องพึ่งล่งล่างกายไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆถ้ามีความสงบอยู่ภายในใจความสงบนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดยิ่งกว่าที่พึ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ขอให้พวกเรามาหัดทำใจให้สงบกัน วิธีทําใจให้สงบก็มีหลากหลายวิธีการว่วยพระสวดมนต์นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งการท่องพุทโธพุทโธไปก็เป็นวิธีหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่งมีหลายวิธีด้วยกันขอให้เราลองมาทําดูทำแล้วพอใจของเรามีความสงบเราจะมีความสุขและจะเติมใจแต่อยากมีความสุข จากความสงบนี้มากขึ้นไปเราก็จะเบื่อกับการหาความสุขจากสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้พอเราไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆเวลาสิ่งต่างๆเสื่อมไปหมดไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราจะมีความสุขไปตลอดเวลาเพราะเรามีที่พึ่งแบบใหม่คือที่พึ่งทางใจ ที่พิ่งที่เกิดจากการทำทานที่พิ่งที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทำบาปและที่เพิ่งที่เกิดจากการทำใจให้สงบขอให้พวกเรามาสร้างที่พิ่งที่ใหม่นี้กันเถิดแล้วต่อไปเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเสื่อมอะไรจะหมดไปจะไม่ทำให้เรามีความทุกข์ใจเลย การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มามำเพงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรนาสุขภาภาะโดยทั่วหน้ากันเทอ